ในครั้งนี้จะได้บรรยายอาณาปานสติหมวดที่สามคือจิตตานุปัสสนาเราจะต้องรู้โดยหลักตัวๆไปว่าต่างกันทุกหมวดแต่ละหมวดละหมวดเดี๋ยวนี้ก็มาถึงหมวด ที่ว่าด้วยจิตกำหนดจิตหมวดที่หนึ่งเรียกว่านั่งเป่านกวีดหมวดที่สองเรียกว่านั่งอาบน้มปีติหรือสุขกำหนดเวทนาประมาถึงหมวดนี้จะเรียกว่า นั้นมาจัดการกับสิ่งที่เรียกว่าจิตทั้งๆ ท, ที่ว่าคนส่วนมากก็ไม่รู้ว่าจิตนั่นคืออะไรจัดการกับสิ่งที่เรียกว่าจิตแล้วทำให้อยู่ในอำนาจก็พูดบ้าบอๆว่าของเรา อำนาจของเรามันไม่มีเราแต่ให้มันอยู่ในอานาจของอะไรอํานาจของจิตเองอานาจของธรรมะสําหรับสิ่งที่เรียกว่าจิตจิตเนี่ยมันมีปัญหามันไม่รู้จักกันแล้วมันเอามาดูเอาเอามาดูเห็นไดเ้เอามาเอาตัวมาดูให้ดูไม่ได้ คนโบราณน่โบราณยังสมัยเป็นคนป่านะ <c oughs> <c oughs> มันก็รู้จักสิ่งนี้แต่ในนามพี่ว่าไม่รู้ว่าเป็นอะไรแล้วก็เรียกว่าจิตแล้วเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงอยู่ในที่ต่างๆ อย่างที่เรียกว่าเป็นตัวตนตัวตน <c oughs> สิงอยู่ในที่ทุกสิ่งที่เขาคิดว่าสิงอยู่ในแผ่นดินในตนใ้นไม้ในแม่น้ำในภูเขาในอะไรก็ตามาในกระทั่งไหนจอมำตรวจ <c oughs> คิดว่ามีสิ่งนั้นแล้วคนเดียวนี้ก็ยังโง่เท่าเท่าคนป่าเหล่านั้นนั่นแหละไม่ดีกว่ า, าคือไม่รู้ว่าจิตนี่คืออะไรก็รคิดว่าสิ่งอยู่ในสิ่งนั้นสิ่งนี้บางทีก็เชิญมาได้เขาเรียกวิวญญาณเรยอว่าตัวตนแต่ในพุทธศาสนาเราจะเรียกว่าจิต ไม่ใช่เป็นตัวตนไม่ใช่เป็นวิญญาณชนิดนั้นมันชื่อเผอิญไปพ้องกันข้าว <c oughs> พิสุปุงหนึ่งชื่อเกวัตตบุตรนะฮเราจะศึกษามาก่ออย่างไรก็ไม่รู้แต่ว่าเขามาบวชแล้วเขาก็ถือหลักแล้วก็เที่ยวบนเพ้อพร่ำกับผู้อื่นว่า อีเทววิญญาณังจะวัตตังสังสรีตังไอ้ท่านเนี้คือว่าจิตนี้ท่านนั้นเออวิญญาณนี้ท่านั้นวิญญาณนี้ท่านั้นอ่ะที่มันเคลื่อนที่มันท่องเที่ยวไปในวัฏฏะเพื่อนเขาห้ามก็ไม่ฟังแลพระพุทธเจ้าท่านตรัสให้เรียกตัวไปถามไปสอบถามไปยืนยันอย่างนั้นก็ตรัสบอกว่าแค่อย่าคิดอย่างนั้นอย่าถืออย่างนั้น วิญญาณสักว่าวิญญาณจะ <c oughs> ส, สอนเป็นเรื่องที่ว่ามันเกิดตามปัจจัยไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยเมื <c> ่อ <oughs> <c oughs> พวกอื่นเขาเชื่อกันอยู่อย่างนั้นสอนกันอยู่อย่างนั้นว่ามีสิ่งที่เรียกวิญญาณวิญญาณเจตจะพูด <c oughs> จะใช้คํา ง, ง่ายๆว่าวิญญาณเจตจะพูด พระพุทธเจ้าท่านสอนให้รู้สช่ถูกว่ามันไม่ใช่วิญญาณเจตพูดอะไรอย่างนั้นมันเป็นธาตุธาตุนะธาตุตามธรรมชาติชนิดหนึ่งมันทาหน้าที่หรืออาการอย่างนั้นได้คือรู้สึกได้คิดนึดได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นวิญญาณตัวตนหรือเจตพูด ชาตินี้มันรู้สึกได้มันคิดนึกได้เมื่อใดมันทำหน้าที่รู้อารมณ์รับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ mm. ก็เรียกว่าวิญญาณวิญญาณเหมือนกันนะแต่เป็นวิญญาณทางอาญตนญะ mm. เมื่อใด mm. คิดนึก mm. ก็เรียกว่าจิต mm. เมื่อใดรู้สึก ต่อสิ่งต่างๆก็เรียกว่ามโนมโนมโนแปลว่ารู้จิตแปลว่าคิดห ร, รร ห, รรหรือก่อวิญญาณแปลว่ารู้แจ้งมันทําหน้าที่รู้แจ้งทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็วิญญาณมาทำหน้าที่คิดนึกก็เรียกว่าจิตไม่ทําหน้ า, า, าทาี่รู้รูรู้ก็เรียกว่ามโนมโนเราจะต้อง <ๆ S 2> <c oughs> เข้าใจว่าแม้แต่ยาบางชนิดเช่นยาไมยราบเนี่ยมันมีความรู้สึกไปถูกข้าวมันก็หุบถ้าอย่างนั้นมันก็ต้องมีจิตมีวิญญาณเจตพูดด้วยที่ประการังบางชนิดรู้สึกรู้สึกต่อการไปใครมาใครไปสัมผัสถูกต้องมันรู้สึก ที่อยู่ทีอยู่ใต้น้ำทะเลไมันก็มีเจะพูดมีวิญญาณด้วยนี่ขอให้มาศึกษาว่าพุทธศาสนาเราไม่ถือว่ามีวิญญาณแล้วที่วิญญาณนั้นมีอยู่ก่อนแล้วถ่ายทอดกันมาเรียกว่าจะถึงปัจจุบันนี้ยังถืออยู่ว่ามีวิญญาณเอาวิญญาณเขาไปเที่ยวซิงก์ที่นั่นที่นี่ ใ, ในพระพุทธรูปก็มีวิญญาณางนี้ทำกับพระพุทธรูปอย่างการทำกับคนอย่างนี้มันยังเป็นลทัทธิป่าเถื่อนข้างกโนเนี่ยเรียกว่าลัทธิวิญญาณอ น, นิมิสซมอนิมิซมอนิมิซมนั่นหละความที่ว่าไม่มีเจตพูดไม่มีวิญญาณ ไม่มีจิตชนิดนั้นแต่จิตนี้เป็นธาตุตามธรรมชาติชนิดหนึ่งมีคุณสมบัติรู้สึกคิดนึกอะไรได้ไม่ต้องมีตัวตนไม่ต้องมีความเป็นตัวตนแต่มันมีอาการอย่างนั้นมนุษย์เข้าใจว่าเป็นตัวตนตัวตนซ้อนกันมาพอมาถึงพระพุทธเจ้ายุคพระเจ้าเราไม่ใช่ไม่ใช่ตัวตน มันก็สังว่าธาตุตามธรรมชาติชนิดหนึ่งมันคิดนึกได้เองไม่ต้องมีอะไรมาเป็นตัวตนให้ล่ะเห็นคนนี้มันมีความคิดความคิดก็ทำให้เดินไปเดินไป <c oughs> พอถึงบ่อจะพลัดตกบ่อก็ความคิดก็เกิดขึ้นมาใหม่ว่าโอ้อย่าเดินกบไปมันจะพลัดตกกงไปในบ่อ ก็คิดได้อ ย, อย่างนี้โดยที่ไม่จำมีตัวตนอะไรที่ไหน <c oughs> <c oughs> เราได้รับคําสั่งสอนเราว่ามีตัวตนตัวตนมาจากที่เก่าแก่ของอินเดียที่มาสอนเป็นที่นี่แถวนี้แถวบ้านเราเนี่ยชวนนภูมิเนี่ยว่ามันมีสิ่งชนิดนี้ <c oughs> และเราก็เชื่อว่ามีสิ่งชนิดนี้ <c oughs> แล้วบางทีว่าคนไทยเราคนไทยแต่เดิมก่อนอินเดียมาเป็นจีนเป็นคล้ายๆ ล, ล้จีนนั่นก็ตามนมันก็ต้องเชื่ออย่างนี้อยู่ก่อนนะแมไม่ไม่ใช่อินเดี ย, ยเชื่อว่ามีตัวตนมีวิญญาณมีเจตพูด ม, มีอะไรที่จะต้องเซนไหวเสซนซ้วงตามแบบจีนที่ยังเหลืออยู่นี่จะแปลว่าสมบัติเดิมคนไทยเราก็มีความรู้อย่างนี้อินเดียก็มาสอนให้อย่างนี้มาสอนอย่างละเอียด พิจิตติพิสดารเมื่อเด็กๆอาตมาเคยเห็นหนังสือธรรมะเล่มหนึ่งของคุณตาพิมพ์อย่างนี้ว่าตอนเรื่องอันนี้เรียก็วิญญาณบางมันโนบางนี้เดี๋ยวออกมาทําหน้าที่ทางตาแล้วกลับไปหน้าที่ทางหูออกมากลับอกลับไปออกมาทําหน้าที่ทางจมูกทางลิ้นทางกายกับทางว่า หลับลงมันออกไปเที่ยวไปเที่ยวเล่นพอกลับมาเราคนก็ตื่นขึ้นมาหนังสือธรรมะสมัยนั้นยังมีอย่างนี้มันเป็นหนังสือที่ผิดร้อยเปอร์เซนต์ไม่ใช่พุทธศาสนาเป็นฮินดูรู้กันน้อยแตบ้างเอาละเป็นั้นว่าสิ่งที่เรียกว่าจิตนั่ น, นคือสิ่งที่มันคิดนึกอะไรได้ โดยตัวมันเองโดยไม่ต้องมีตัวตนอ่ะไม่ต้องเป็นตัวตนผู้คิดผู้นึกมันรู้สึกได้โดย้นโดยตัวมันเองโดยระบบประสาทมันเป็นเช่นนั้นเช่นเดียวกับยาระงรับยาไมยรลาราไปถูกข้ามันหูบเอง <c oughs> ทีนี้ก็มาศึกษาให้รู้เรื่องจิตจนบังคับจิต จิตบังคับจิตได้อะไรศึกษาจิตก็คือจิตรู้เรื่องจิตแล้วก็จนบังคับจิตได้ตั้งแต่จิตจิตจิตไม่มีตัวต้นนี่เป็นเรื่องเบื้องต้นหรือเป็นเรื่องพื้นฐานเดี๋ยนี่ก็มาพูดกันถึงว่าจิตจะฝึกจิตอย่างไรจะบังคับจิตอย่างไรแล้วจะมีประโยชน์อะไรแก่จิตต่อไปตลอดกาลเนี่ย วันนี้เรียกว่าจิตตานุปัสสนสติปัฏฐานคพ่งเราจะพูดกันเป็นหมวดที่สามในวันนี้ <c oughs> ทีนี้เรื่องการปฏิบัติเป็นหลักายตัวที่ได้พูดมาแล้วว่าจะปฏิบัติอนนาปาสนสติขั้นไหนหมวดไหน ตอนกลางตอนปลายอะไรก็ตามแต่ต้องย้อนกลับไปตั้งต้นมาตั้งแต่มูดต้นละขั้นที่หนึ่งคือลมหายใจก้าออกนะังเป่านกหวีดมาก่อนก็กำหนดเวทนามาแล้วก็มาถึงเรื่องจิตกำหนดจิตอยู่เรื่องจิต <c oughs> จะยื่นไปถึงตัวไหนแล้วก็ตามถ้าตั้งต้นก็ ต, ตัวก้อยแหละมาตามลําดับมันติดต่อสืบเนื่องกันอย่างนี้นี่นเป็นหลักทั่วไป พอลงมือปฏิบัติก็ตั้งต้นมาตั้งแต่จุดแรกที่สุดจนมาถึงจุดที่กําลังจะปฏิบัติเดี๋ยวนี้มันก็เป็นหมวดจิตหมวดที่สามนั่เป็นขั้นของทั้งหมดทั่งมีสิบหกขั้นมันก็เป็นขั้นที่เก้าที่สิบในหมวดนี้ก็มีสี่ขั้นฮ ในขั้นที่หนึ่งขั้งหมดนี้เรียกว่าจิตตะปฏิสั่งเวทีเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตรู้พร้อมในเรื่องเกี่ยวกับจิตในปัจจุบั น, นจะรู้พร้อมมาถึงเรื่องดึกดำบันเรื่อง คำว่าจิตอย่างที่พูดมาแล้วก็ได้นั่นรู้ว่าเป็นพื้นฐานรู้คร่าวเฉพาะซึ่งจิตเดี๋ยวนี้ก็จิตในปัจจุบันเพื่อเราจะจัดการกับมันเระต้องรู้จิตปัจจุบันว่ากําลังเป็นอย่างไรจิตรู้จักจิตเองไม่จำมีตัวกูไปรู้จิตจิตรู้จักตัวมันเองว่ากําลังเป็นอยู่อย่างไร ในบทที่ท่านวางไหวสำหรับพิจารณาก็ว่าเดี๋ยวนี้จิตกาลังมีราคะหรือไม่มีก็รู้ได้เองถ้ามันรู้จักสิ่งที่เรียกว่าราคานะหน่อจิตก็รู้ว่าเดี๋ยวนี้มีราคะหรือไม่มีเดี๋ยวนี้มีโทสะหรือไม่มีเดี๋ยวนี้มีโมหะหรือไม่มีเดี๋ยวนี้เป็นจิต มีคุณมีคุณธรรมอันใหญ่หลวงหรือไม่มีอืเดี๋ยวนี้จิตยังมีจิตชนิดอื่นที่ยิ่งกว่าหรือไม่มีนี่โดยการคํานวณคนแรกปฏิบัติมันก็ไม่รู้ว่าจิตที่ยิ่งกว่าจิตบรรลุมรรคผลไม่รู้แต่มันก็พอจะรู้ได้ว่าจิตนี้มันยังไม่ถึงที่สุดมันยังมีจิตอื่นยิ่งกว่ามีจิตอื่นยิ่งกว่าหรือไม่มี เดี๋ยวนี้จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิหรือไม่ตั้งมั่นเป็นสมาธิมันก็รู้ได้ดี๋ยวนี้จิตหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นมันก็รู้ได้โดยที่ว่ามันมีอะไรที่ <S <S <Ms. S 2> กำลังครอบงมผูกพันเขาหลนจิตอยู่หรือไม่ถ้ามันยังไม่อยู่มันก็ยังไม่หลุดพ้นแม้ว่าเรายังไม่เป็นพระอราหารันเราก็รู้ได้ว่าจิตของเรายัางไม่หลุดพ้นแม่อย่างน้อยก็มีนิวอนหรือไม่ นีกามฉันทะพยาบาทีนะมิทธะอุทธัจจกุปุจจาหรือไม่นี่รู้ได้ง่ายฮะเพราะมันคุ้นกันดีจิตกำลังเป็นอย่างไรรอบรู้ชัดเจนเสียก่อนพอจะได้รู้ว่ามันเป็นอะไรได้กี่อย่างกี่ชนิดเนี่ยมันก็จะรู้ได้ <c oughs> กำลังมีชนิดไหนหรือกำลังไม่มีแล้วโรควรจะมุ่งไม้จิตชนิดไหน <c oughs> จิตชนิดที่ไม่มีกิเลสไม่มีนิวนรณ์ก็พอจะคำนวณได้จากจิตที่กำลังมีกิเลสจิตที่มีกำลังมีนิวรณ์ว่าทำไมมันเผาล่นอย่างนี้ <c oughs> จิตชนิดไหนกำลังมีปัญหาอะไร อยู่ที่นี่เวลานี้เ้าดูว่าอะไรเป็นปัจจัยแห่งปัญหาอะไรจะเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดับทุกข์ฉ น, นันก็กำหนดจิตของตัวเองดูว่ากำลังอยู่ในสถานะภ า, ภาวะ อาการอย่างไรพบพบแล้วก็ดูเลยไปเึงว่าโอ้นี่มันมาจากเหตุปัจจัยอะไรนำมาซึ่งความทุกข์อย่างไรนำมาซึ่งไม่ความไม่ทุกข์อย่างไรศึกษารอบด้านเกี่ยวกับจิต จิตของคนอื่นเราไปรู้เขาไม่ได้ไม่มีทางจิตของเราเดี๋ยวเนี่ยศึกษามันศึกษามันให้รู้อย่างดีที่สุดที่นี่ก็จะได้จัดการจัดการขั้นที่เก้าเนี่ยรู้จักจิตชนิดที่เราจะรู้ได้เท่าไหร่แล้วก็รู้ จะจัดการอย่างไรต่อไป <c oughs> ขั้นที่สิบก็มีสูตรว่าอภิโมทยังจิตตังทำจิตให้ปราโมทุบันเทิงอย่างยิ่งอยู่ทมาทํางขันนี้นะทําให้จิต มีความรู้สึกปราโมทบันเทิงยิ่งอยู่ใครทําำพูดอย่างคนธรรมดาก็ว่าเราทำจะพูดอย่างภาษาธรรมะโดยสมมติจิตทํำจิตจิตนึกรู้สึกอะไรได้จิตนี่จะทําจิตให้ปราโมทบันเทิงอยู่จะพูดตัวเราทําก็ได้เหมือนกันนันแะพูดโดยภาษาธรรมดาภาษาสมมติ ก็ยืนยันในความไม่มีเราว <H> um> <g it> ่าจิตนึกทําจิตเช่นว่ามันเดินไปคิดเดินไปจะพลัดตกบอ่อมันก็รู้สึกไม่ต ก, กจิตก็จิตเองไม่ต้องมีใครมาบอกถอยกลับหรือมันไม่ได้ไม่เดินต่อไปลงบ่อนี่นี่ว่าถ้าจิตมันไม่ปราโมทย์บันเทิงจิตมันจะต้องทําอย่างไรใช่ปราโมทย์บันเทิง จิตมันกคิดนึกทำความรู้สึกไปในลักษณะที่ทำให้จิตนี่ปราโมทหรือบันเทิงอย่างน้อยที่สุดก็ทำความรู้สึกว่าโอ้เราก็มีศรัทธาถูกต้องในพระพุทธศาสนาก็บันเทิงได้เรามีประสันนาเลื่อมใสในพระพุทธธรรมประสงค์ที่เป็นเครื่องดับทุกข์นี่ก็ได้ เรามีศีลพอใจก็ได้เรามีสมาธิก็พอใจก็ได้มีปัญญาป็นที่พอใจก็ได้มันก็บันเทิงแหละมันก็บันเทิงมันก็เริ่มมีการบันเทิงแต่เดี๋ยวนี้เราเก่งกว่านั่นนะในหมวดที่สองในขั้นที่ห้าที่หกเราเคยนัง่งอาบน้ำปีติ อาบน้ำความสุขมาอย่างชำนาญแล้วหนูย้อนกลับไปที่นั่นนลยอาบน้ำปีติอาบน้ำความสุกกันใหม่มันก็จะมีความบันเทิงจัดปรับปรุงให้ดีมีความบันเทิงที่เหมาะสมที่ถูกต้องย้อนกลับไปทำหมดที่ห้าที่หกขั้นที่ห้าขั้นที่หก เรามีสติและลึกถึงในคุณธรรมกุศลธรรมความดีต่างๆที่มีอยู่แล้วก็ปีติได้แล้วก็พอใจตัวเองพอใจตัวเองซึ่งจะเป็นที่รู้จักกันในวงการศรึกษาทางจิต self contentment พอใจตัวเองพอใจตัวเอง อะไรจะสบายเท่ากับพอใจตัวเองไปคิดดูนี่เราสามารถจะเปลี่ยนอารมณ์ร้ายๆให้หมดไปเป็นอารมณ์พอใจเข้ามาได้พอฝึกไหวคล่องแคล่วมากในการที่จะอาบน้ำปีติหรือน้ำแห่งความสุขเมือม่อไรก็ได้ เ, เดมื่อไรก็ได้นี่เน็ตอย่างนี้เมื่อไรก็ได้ ขันชำนาญอย่างนี้แรกก็สามารถจะมีความพอใจความบันเทิงพอใจตัวเองมีนิพพานในตัวเองชัว่วขณะขณะได้ตามที่ต้องการปราโมดบันเทิงทำจิตให้ปราโมดทำจิตให้บันเทิงนี่เป็นขั้นที่สิบ จะไปอยู่ยังบ้านเรือนครองเรือนมีอะไก็ได้แต่ว่ามีจิตปราโมทย์พอใจไม่มีจิตจิต ท, ทุน่ะทุกทนหมุนมากเหมือนที่เขาเป็นกันอยู่โดยมากเป็นโรคประสาทเป็นล่นโรงพยาบาลแล้วเพราะมันไม่รู้จักทําจิตใจปราโมทศรีเลยศึกษาไม่เถิดมันจะมีประโยชน์เลือนไหลจะไม่เจ็บไม่ค่ายได้โดยง่าย จะมีสวรรค์อยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้คือพอใจในตัวเองไม่ต้องรอต่อตายแล้วสวรรค์เพอสวรรค์เพอเจอรอต่อตายแล้วสวรรค์ที่นี่มันไม่เอามันถูกหลอกว่าในสวรรค์ ม, มีของคิพย์รถอร่อยเลื่อประมานุ่นแต่จะทําให้ทิพย์ที่นี่ได้ปราหมดบันเทิงที่นี่ได้มันก็ไม่เอาเขามีอวิชชามีอวิชชาเขาครอบงํา ฝึกจนว่าเมื่อไรก็ได้เมื่อไรก็ได้ฉันจะมีความรู้สึกปีติปราโมทย์บันเทิงเมื่ อ, อไรก็ได้พอจะลงมือทําอะไรจะคิดนึกอะไรจะทำอะไรตา่างๆทำปีติปราโมทย์บันเทิงซะก่อนแล้วจึงค่อยทําจะไปทํางานที่ออฟฟิศหรือทำงานที่บ้านเรือนเนีมีแตยจิตที่ปีติปราโมทย์บันเทิง <c oughs> นี่ก็เป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่ดีอยู่เสมอ มันก็จะมีเสน่ห์ความน่ารักอยู่ในตัวของสังขารกลุ่มที่มีปีติปราโมทบันเทิงนี่ไม่ต้องแขวนประลัดคิกไม่ต้องลงหน้าหน้าทองไม่ต้องทำอะไรหมดแล้วมันก็จะมีความน่ารักอยู่ในตัวของบุคคลใครก็มาสมมติบุคคลที่มันมีจิตปราโมทบันเทิง นันนี่ก็ฝึกเป็นขั้นที่สิบของทั้งหมดหรือขั้นที่สองของหมวดจิตที่นี่ก็มาถึงขั้นที่สิบเอ็ดมีสูตรว่าสมาดหังจิตตั้งเรวก็ทำจิตให้ตั้งมั่นก็คือมีสมาธิแต่ว่าสมาธิชนิดที่ประกอบไป็นธรรม เป็นส ม, ส, มสมาธิสมาธิทัวๆไปหมาแม้มันก็มีอะไรมันก็มีจิตเป็นสมาธิตามธรรมชาติแต่สมาธิอย่างนั้นมันมัน ม, นไมัไม่ไม่ไม่พอหรือไม่น่าต้องการอะไรต้องมีสมาธิชนิดที่ควรจะต้องการสมาธิที่เป็นวิรากนิสิิตวิเวกนิสิตังจะเป็นไปเพื่อวิเวกอาศัยวิเวก วิราคันิสิตังอาศัยวิราคานิโรธนิสิตังอาศัยนิโรธคือความดับทุกข์เป็นเบื้องหน้าวดสักขะปริมาณมาิม่งมันน้อมไปเพื่อจะสลัดไอ้สิ่งยึดมั่นถือมั่นต้องปวงนี่้าสมาธิอย่างนี้แล้วมันก็เป็นสมาธิที่เป็นปายเพื่อนนิพพาน ความเป็นสมาธิที่เราจะกำหนดกันง่ายๆก็โดยหัวข้อกำหนดสามคำข้อที่หนึ่งมันก็บริสุทธโทมันว่างจากกิเลสและนิวรณไม่มีความเศร้ามองไม่มีความสกรปรกทางจิตใจนเะรียกว่าบริสุทธโท ข้อที่สองเรียกว่าสมาหิโตมันตั้งมั่นรวมกําลังเป็นจุดเดียวเป็นอันเดียวข้อที่สามเรียกว่ากรรมนิโยแปล ว, ว่าสมควรแก่การงานสมควรกันหน้าที่การงานของจิตป <c oughs> ราศจากกิเลสนิวนรบกวนก็เรียกว่าบริสุทธ์โทได้แล้วมีจิตบริสุทธิ์แม้ชั่วขณะอย่างนี้ก็เรียกว่าบริสุทธิ์ มันก็โปร่งสิมันก็โปรง่งมันก็เย็นมันก็อิสระเนี่เราต้องการจิตอย่างนี้ในการดำเนินชีวิตเป็นอยู่หรือทำการงานใดๆสมาฮิโตตั้งมั่นตั้งมั่นแน่ๆคือรวมกันลงจิตจึงมีลักษณะสร้างออกไปรอบตัวมาเป็นจุดกลางจุดเดียวเป็นเอ ก, กขัตตาหมือนกัแก้ว นูนอะแก้วแก้วที่มันนูนตรงกลางอะแวนรวมแสงามารับแสงแดดที่มันพลาดมารวมจุดเป็นจุดเดียวเข้าจนมันลุกเป็นไฟสว่างจ้าเรืองแสงอย่างนั้นไงคำาประพัดสอนอะดูทีเอมาแก้วรวมแสงรวมแสงแดดขาวขาวขาวจนลุกเป็นไฟ อาการอย่างนั้นภาษาบาลีก็เรียกว่าประพัดสอนด้วยเหมือนกันนะมันเป็นสมาฮิโตท้ทีนี้บบทำได้ดีอย่างนี้มันก็เป็นกรร ม, มนิโยกรรมก็คือนิยะ อ, อนียะกรร ม, มอเนียะเป็นกรร ม, มนิโยสมควรแ ก, ก่กรรมะคือการกระทําซึ่งเป็นหน้าที่จะทําหน้าที่ทางจิต ซึ่งจะออกมาถึงทางกายพร้อมจะทำหน้าที่ว่องไวที่ทำหน้าที่เหมาะสมจะทำหน้าที่เขาเรียกกันเดียวนี้โดยภาษาทั่วๆไปว่าแอคทีฟมันมันแอคทีฟมันไม่คลัส่สีมันไม่มงมง่ามความเป็นอย่างนั้นเรียกว่ากรรมนิยภาพหรือแอคทีฟเนสถ้ามันมีสมาธิจริงนะมันครบ องค์ประกอบสามอย่างนี้คนะือปริสุทธโทสมาฮิโตโกัมมะนิโยฝึกได้ <c oughs> แต่ว่าจิตนี้จะต้องฝึกเองไม่ใช่สุนักหรือแมวที่คนจะต้องฝึกให้ <c oughs> ทำจิตให้ตั้งมัน่น ที่ถ้าเป็นสมาธิที่ไหนเมื่อไรเท่าไรอย่างไรทำได้ตามที่ต้องการที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเท่าไรได้ตามที่ต้องการแตนี้มันจะไม่ได้ตะกี้เล็บหรือมั้งมันคอยจะฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านนี่มันเป็นเหตุให้หยาบให้หวัดให้ไม่แยบคายให้ไม่ลึกซึ้ง ซึ่งคนทั่วไปก็มีลักษณะอย่างนั้นนะฟุ้งซ่านแยบคลาย้มันอวดดีด้วยเพราะมันไม่มีความประนีตหรือกรรมนิยภาวะของสิ่งที่เรียกว่าจิตนั่นเองขออย่าได้ประมาทเลยปราโมทปราโมทนี่ เป็นสิ่งที่สำคัญนะอยู่เป็นสุขสบายไนะยิ่งกว่านั้นแม่ในการบรรลุมรรคผลนิพพานก็ต้องการสิ่งที่เรียกว่าปราโมทมาก่อนในสูตรทั้งหลายเป็นอันมากตอนที่จะกล่าวถึงการบรรลุมรรคผลแล้วก็จะต้องมีปราโมทชะนะปราโมทแล้วจะมีปีตินะมีปีติแล้วจะมีสุขนะมีสุขแล้วจะมีปัสสัติที่นะ มีปัจจิตเราจะมีสมาธิที่ต้องการในการนั้นนะ <c oughs> แล้วก็จะมีอุเบกขา <c oughs> นี่เป็นกฎธรรมชาติตายตัวไม่ใช่ใครตั้งไม่ใช่พระพุทธเจ้าทั้งตั้ง <c oughs> แต่มันเป็นกฎตายตัวที่ต้องเป็นอย่างนั้นการที่บรรลุธรรมะสูงสุดทางจิตนั่นเนี่ยพื้นฐานต้องมาแต่ปรามโมทต้องมีอะไรปรามโมทพอใจในสิ่งนะั้นนะนี่ก็ปรามโมทก่อน ตามโหดเกิดแล้วก็มีปีติคือพอใจปีติเกิดแล้วก็มีความสุขพอมีความสุขแล้วสิ่งต่างๆก็จะระ ง, งับลงไม่ฟุ้งซ่านเรียกว่าปัดสัตติพอปัดสัตติรวมรวมได้ลงข้าวรูปข้าร้อยนั้นก็เป็นสมาธิพอสมาธิแล้วก็มีอุเบกขาคือความควบคุมดูแลมันเป็นไปตามที่ต้องการเรียกว่าอุเบกขา อุเบกขาไม่ใช่นั่งเฉยๆนั่งซึมกระทือนะให้มันคอยควบคุมดูแลให้เป็นไปตามที่ต้องการอุปมาเรื่องนี้ก็เปรียบเหมือนกับว่าเมื่อรถได้ที่แล้วคนขับสารถีก็เพียงจะถือมันบางเฮียนเฉยๆมาได้ที่รถได้ที่ถนนได้ที่ก็ถือบางเฮียนเฉยๆมันก็ไปเองถ้ารถยนต์มันดีไม่ได้ที่หมดแล้วถือแต่พวงมาลัยเฉยๆ ถ้าต้องไปได้เองไแต่มันมีการควบคุมนะมันมีการควบคุมอยู่โดยอัตโนมัติ น, นั่นนะคืออุเบกขาอะไรไม่ใช่เุเบกขาเฉยๆไม่รู้ไม่ชี้นั่นนะมันอุเบกขาต้องว่าเอาเองของขนโง่มักจะถืออย่างนั้นกันซะโดยมากจะมีอุเบกขาคือการปฏิบัติหรูปธรรมจันทร์มันปฏิบัติไปศีลสมาธิปัญญาพุทธชงมากอะไรแตมันเดินไปเดินไปตามลําพังเพราะว่าการจัด ทำเป็นปฏิสัตยที่ถูกต้องข้ารูปข้าร้อยแล้วก็ลอยมันเดินไปได้มันก็ถึงเองแหละนี่รู้จักทำให้ปราโมดไว้เถิดอย่างน้อยที่สุดก็ปราโมดตัวเองพอใจตัวเองว่าได้ทำไว้ถูกต้องปลอดภัยแล้วจรักษาอันนั้นไว้มันก็เดินไปเองเดินไปเองเดินไปเองโดยกฎของธรรมชาติ เขาทนานาเขาไขคลาดดำปลูกต้น ข, านข้าวก็งามแล้วชาวนาคนนั้นอุเบกขาได้เฉยๆดูแลอยู่เฉยๆรักษาความถูกต้องไว้เฉยๆข้าวมันก็งอกออกรวงเองไม่ต้องมานั่งภ <c oughs> า, าวนาหรือไปบนบานพิสังข์ข้าวยังออกมาข้าวยังออกมา มันชาวนาบ้านันจะชาวนาดีชาวนาดีปฏิบัติตามหลักอันนี้นครบถ้วนตามกฎเกณฑ์อันนี้แล้วมันก็ข้าวมันก็ออกมาเองลักษณะนี้จะเรียกว่าโพดชมก็ได้สติธรรมวิจยะวิริยะปีติปัตสัทธิสมาธิอุเบกขาโคดชมเจ็นนั่นห้ดูในหนังวะโกวา่าท มันตอนสำคัญมันก็มีวิยะปิติเราเลี้ยงวิยะปัดสัติให้มันหลังจากปิติปิติให้เกิดสุขเกิดปัจจัติแล้วก็มีสมาธิเต็มที่แล้วก็มีอุเบกขาตั้งต้นด้วยสติมันลึกลึกและ ล, ลึกรอบรอบแล้วก็มีธรรมวิจยะรเฟร้นเอาสิ่งที่จะต้องทำออกมาได้แล้วก็ทำ ล้วความสำเร็จที่กำลังจะสำเร็จจะเดินไปต้องมีปีจิปราโมทเกิดขึ้นในการกระทําะนั้นเรายังถือธรรมะข้อนี้เป็นหลักสำคัญถ้าอยู่เฉยๆก็สบายทาปราโมทมนอยู่ทีปราโมทแล้วปราโมทจะเป็นปัจจัยผลักไ้ไปนในทางโลกุุตระมีปีจิปัสสิสุขสมาธิเดกขา สรุปความว่าการบรรลุมรรคผลตั้งต้นด้วยปีติสำหรับความรู้สึกที่รู้สึกอยู่ในจิตใจที่จะเกิดขึ้นเป็นลำดับนั้มันตั้งต้นด้วยปีติ <c oughs> มีปีตินา่าจะเป็นอย่างที่ว่าถ้าไปทําลำดับ <c oughs> แล้วก็ยังสามารถที่จะนอบจิตชนิดนี้ไปทําอะไรก็ทําได้ดี คำว่านิ่มนวลอ่อนโยนควรแกร่การงานควรแกร่การน้อมไปนะั่นแหละมันจึงมีปีติปราโมทย์บันเทิงแล้วมันจึงจะน้อมนึกไปคิดอะไรได้ดีที่สุดได้อย่างใจที่สุดนจะน้อมไปเพื่อรู้อะไรเพื่อยานข้อไหนเพื่อยาณทัรนะอะไรมันก็รู้ได้ดี เพราะเหตุที่ว่ามีจิตมันเหมาะสมมันพอใจตัวเองอยู่เสมอรู้ความสำคัญของคำว่าจิตตั้งมัน่นอยู่อย่างบันเทิงนี่บันเทิงธรรมะตะขันที่สิบ เดีย๋ยวนี้ก็ตั้งมั่นอยู่ด้วยความบันเทิงที่นี่ก็มาถึงขั้นที่สี่ของหมวดนี่หรือขั้นที่สิบสองของทั้งหมดนะของทั้งชุดที่หกขั้นขั้นที่สิบสองพโมจะยงังจิตตั้งนี่เป็นสูตร ก็แปลว่าทำจิตให้ปล่อยคำว่าปล่อยนี่เป็นคำที่พวกคอมมอนิสต์เขาเอามาใชา้แล้วใครๆก็ชอบการปลดปล่อยคื <c oughs> มันไม่ถูกกักถูกจำกัดถูกอะไรคำว่าปล่อยนี่มันหมายถึงอิสระ ทำจิตให้ปล่อยก็ทําจิตให้เป็นอิสระธรรมดามักจะพูดกันลุ่นลุ่นสั้นๆว่าปล่อยอารมณ์ปล่อ ย, ออยวัตถุสละสิ่งนั้นสละสิ่งนี้ก็คือปล่อยสิ่งนั้นสิ่งนี้นีนน่คนธรรมดาพูดไม่ใช่ผู้รู้ธรรมะพูด ถ้ารู้ธรรมะพูดเขาก็ปลดปล่อยเอนันทิราคะนันทิราคะความกำหนัดยินดีด้วยความเพลิดเพลินพอใจในสิ่งนั้นๆในลูกในเมียในบุตรภรรยาสามีในข้าวของเงินทองอำนาจวาสนาบารมีอะไรก็ตามที่มันเป็นที่ตั้งแห่งนันทิราค ะ, ะสิ่งนี้มันผูกพันผูกพัน ถ้าเราจะต้องหลุดจากอำนาจของสิ่งนี้นถ้าเราจะพ้นจากความผูกพันของทรัพย์สมบัติไม่ใช่ต้องเอาทรัพย์สมบัติไปเผาไฟอาจารย์วิปรัสนาบางคนก็ชวนสาวกมาเอามาเผาเอามาเผาเอาทนบัตรมาเผาเอาน้ำมันมาเผามาเผ า, า, าเผ า, า, าเผาก็าาาจะเป็นการปลดปล่อยนี่มันบ้า ถ้าพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนอยานะ่างนั้นจะปลดปล่อยสิ่งใดออกไปจากความผูกพันจงละมันทิราคะในสิ่งนั้นความรักความกำหนัดยินดีด้วยความหลงไหลด้ยนันทิด้วยอุปาทานนั่นละสิ่งนั้นแล้วสิ่งนั้นมันก็ไม่อยู่ที่เราแม่เพชรลอยแขวนอยู่ที่คอที่เนื้อทอี่ตัวนี่ ถ้าไม่มีนันทิราคะในสิ่งนั้นก็เหมือนกับไม่ได้มีสิ่งนั้นแหละนี่เรียกว่ามันปล่อยด้ดจิตใจปล่อยข้างในไม่ใช่เอาวัตถุสิ่งของไปคว่างทิ้งนี่สบายแหละ้ามีสิ่งไรก็มีอยู่ด้วยการปลอ่อยจะมีการมีโดยการยึดมั่นว่าจะนันทิราคะมีเงินเยอะแ ย, ย, ยะชอบใจอยากให้ปลอดภัยเอาไปฝากไว้ธนาคาร แต่แล้วมันก็มาซุ้มอยู่บนหัวของคนคนนั้นที่มีนันทิราคะในเงินที่ฝากอยู่ในธนาคารแปลกหรือไม่แปลกมันอยู่ในตู้เซฟของธนาคารแต่มันกลับมาอยู่บนหัวของเจ้าของเพราะมันไม่มีนันทิราคะแล้วมันทุกข์หนักสักเท่าไร่มันจะเป็นอยู่อย่างระหลาที่สุดไม่ทำอะไรมันก็เป็นโรคประสาทนี่การปล่อยจิต จากอารมณ์หรือปล่อยอารมณ์จากจิต <c oughs> แล้วแต่จะพูดแต่คําไหนความหมายมก็เดียวอันเดียวกันย้ำมาพูกพันกันแล้วกันอ <c oughs> คําพูดนี่มันตลบตะลางมันใช้รอดจิกอย่างไหนก็ได้ใช้รอดหยิต ก, ก็ปล่อยจิตปล่อยอารมณ์มาซะจากจิตหรือคลากจิตมาซจากอารมณ์มันเป็นออกหรือเป็นเข้าเท่านั้นเอง แล้วผลของมันก็เป็นการปล่อยคนธรรมดาก็จะพูดว่าปล่อยของออกไปแต่ในวาลีอาณาฟานิสตีเนียเปลื่องจิตเสจากอารมณ์คำว่าปลดเปลื่องกับปลดปล่อยมันใกล้ใกล้กัน ยา่มันเข้ามาผูกพันนั่ก็เรียกว่าเครื่องนะปลดล่อยให้เราปลดปลอยอารมณ์ไม่ให้เข้ามาผูกพันจิตหรือเปลื้องจิตออกไปเสียจากอารมณ์ที่เข้ามาผูกพันเอาละขั้นนี้นั่งฝึกกันเป็นขั้นที่สี่ของหมวดนี้จิตก็ไปเกาะกับอารมณ์อะไรนิวรณ์อะไรเอาปล่อยอย่างไรปล่อยอย่างไร ก็ฝึกกันที่นั่นฝึกกันเดี๋ยวนั้นเราจะกามฉันทะพอใจในกามออกไปได้อย่างไรพยาบาทอาฆาตขุ र, ่นเพลิงขัดแค้นปล่อยไปได้อย่างไรทีนามิธาความมุญชาแห่งจิตความหมดกําลังแห่งจิตนจะลอยไปได้อย่างไรจะเคลื่องไปได้อย่างไรจะทําให้หายไปได้อย่างไรพุทธัจจกุจจะ เนี่ยความฟุ้งฟุ้งฟุ้งความมีกําลังมากเกินไปจนบ้านี่จะปลดปล่อยไปจะดได้อย่างไรในที่สุดวิจิกิจฉาความลังเลลังเลไม่เชื่อนั่ว่าถูกแล้วไม่เชื่อนั่นว่าปลอดภัยแล้วเนี่ยมันจะมีเป็นธรรมดาเพราะความรักตัวกลัวตายตัวเสียให้มันมากเกินไปมันก็หวาดระแวงอยู่เรื่อยๆ เ, เออเนี่มันยังไม่ถูกยังไม่ปลอดภยัย ลงประตูใส่กรอนอะไรเรียบร้อยแล้วไปนอนมันก็ยังคิดว่าไม่ปลอดภยัยความลังเลสงสัยอย่างนี้มันลังเลสงสัยว่าเราไม่ได้อยู่ในความถูกต้องถึงที่สุดปลอดภัยถึงที่สุดจนกระทังชินชาไปอยู่ไปใต้สํานึกนู่นไร้สํานึกหรืออยู่ภายใต้สํานึกเป็นความลังเล ว่าไม่ปลอดภัยนะหรือสงสัยว่าไม่ปลอดภัยอย่างนี้เรียกว่าวิจิคิฉา้วยดีจะมีอยู่ทุกคนแต่ซ่อนอยู่อย่างลึกซึ้งซ่อนเล่นอยู่อย่างลึกซึ้งทุกคนยังไม่แน่ใจว่าได้สิ่งที่ดีที่สุดหรือปลอดภัยแล้วเศรษฐกิจยังไม่ปลอดภัยยังไม่รู้สึกปลอดภัยทั้งที่มีเงินเป็นล้านล้านสิบล้านไรน่ล้านมันก็ยังระแวงอยู่นั่นแหละ สุขภาพอันนาวัยนี่เหมือนยังระแวงจะตายเมื่อไรก็ได้ไม่ทันรู้เนอะเรื่องอะไรที่มันจะต้องผูกพันกันเรื่องสังคมเรื่องอะไรต่างๆก็ยังไม่ปลอดภัยยังมีศัตรูคอย ค, อยคิดร้ายอยู่ยังไม่ไม่ปลอดภัยที่จเจอไใ่แน่ใจในความปลอดภัยนี่เรียกว่าวิจกิจฉาซ่อนอยู่ลึกๆซ่อนอยู่ลึกๆ พร้อมที่จะฝันออกมาเมื่อไรก็ได้พร้อมจะมาคิดมันนี่เป็นเรื่องยุ่งยากลาบากใจขึ้นมาก็ได้ระ แ, แวงขึ้นมาก็แย่แล้วเป็นทุกข์แล้วหวาดผวาเนี่ยหมดความสุขเลย <c oughs> ละวิจิกิจฉาหนิ้วอนตัวนี้จะได้ เปลื่องจิตจากนิวรณ์กันได้เปลื่องนิวรณ์จากจิตก็ได้คำพูดกับคำคุ้มแต่ในชีนี้ตัวตั ว, ต, วตัวบาลีทแท่ๆว่าวิโมจะยังจิตตังนี่เปลื่องจิตเปลื่องจิตเอาไวเ้เใช้จากสิ่งที่กลุ่มรุมจิตผูกพันจิตเมื่อใด มีความรู้สึกถูกต้องถูกต้องถูกต้องไปตามลำดับมันจะเกิดความรู้สึกที่เรียกว่าอุเบกขาอุเบกขาถ้ายังไม่หมดความวิตกกังวลอะไรแล้วมันจะไม่อุเบกขามันจะไม่อาจจะอุเบกขา โดยหลักใหญ่ๆหลักใหญ่ๆกว้างๆสูงสุดในพระพุทธศาสนานซึ่งจะมาพูดให้ท่านทั้งหลายฟังนี่จะบ้าหรือดีก็ไม่รู้ว่าผู้พูดแต่ก็ยังอยากจะเอามาพูดว่าโดยหลักใหญ่ๆนะมันจะมีอุเบกขาไปตามลำดับตามลำดับจนกว่าจะถึงอธตามยตาจุดสูงสุดบรรลุมรรคผลนิพพาน <c oughs> จุดตั้งต้นที่สุดมันคือกามธาตุกามธาตุกามาวจรหรือกามธาตุสัตว์ทั้งหลายมีใจิตใจเป็นกามาวจรค่อยที่จะพลัดตกลงไปในกามหรือกามธาตุเหมือนปลาอนะมันจะอยู่น้ําแต่นั่นแหละมันไม่อยากขึ้นบอกจับโยนขึ้นมาบนตลิงว่าดิ้นลงไปในน้ํำนะ่อันนี้เรียกว่ามันจะดิ้นลงไปในกามธาตุ สับเนี่ยก็อยู่กับกามธาตุดินรนอยู่เพื่อกามธาตุยงอยู่ในกามธาตุเมื่อไรรู้จักกามธาตุตามที่เป็นจริงและเฉยได้อุเบกขาต่อกามธาตุการมารมทั้งหลายนี่เป็นอุเบกขาชั้นนี้ก็เป็นอาตมมรรต า, ตาน้อยๆน้อยๆเริ่ม ม, มีเริ่มมีอัตมมรรตากูมีเอากับมึง ในกามาธาตุก่อนปลดปล่อยกามาธาตุออกไปก่อนแล้วก็เลื่อนขึ้นมาถึงรูปาธาตุรูปาธาตุคือสิ่งที่มีแต่รูปจะไม่มีความหมายแห่งกามไม่มีค่านิยมในทางกามจะเป็นรูปล้วนๆให้พอใจได้เหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งหมายถึงสมาธิจิตในรูปฌานมีรูปธรรมเป็นอารมณ์ มีรูปธรรมต่างๆเป็นอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสกระับป้าอะไรก็ได้เป็นอารมณ์มีอารมณ์ต่างๆกันแล้วก็มาอยู่ในชั้นรูปนี่เรียกว่าอุเบกขาที่มีอารมณ์ต่างๆมันเฉยได้จากกรมธาตุแล้วก็มาอยู่ในรูปธาตุที่มีอารมณ์ต่างๆนี่ับ อัตมายตามันเลื่อนชั้นเฉยได้ต่อกามมาธาตุแล้วก็มาติดอยู่ในรูปธาตุาชาญนาน น, นับเดือนไม่เคยยื่นเคลื่อนกายาจําศีลกินวาตาเป็นพาสุทุกคืนวันนี่มันอยู่ในอุเบกขาในรูปอยู่ในความพอใจในรูปอุเบกขาจากการามมาแล้วมาอยู่ในรูป ที่จสังอุเบกขาต่อรูปอีกทีเลื่อนจุดไปเป็นอรูปอรูป <c oughs> อุเบกขาต่อกามนั่นเรียกว่านานัตตะอุเบกขาอุเบกขามีอารมณ์หลายอย่างที่มาสู่เอกัตตะอุเบกขาอุเบกขามีอารมณ์อันเดียวคือความว่างความว่างเป็นอรูปว่างจากรูปอารมณ์อันเดียวเรียกว่าเอกัตตะอุเบกขา กัละความพอใจในรูปนั้นเสียพวกรูปประชานกลายเป็นสิน่งไม่มีค่าแล้วมาอยู่ในอรูปประชานอรูปประชานดีกว่าก็มาอยู่ในอรูปประชานทึ่เป็นเอกัตตะอุเบกขามีฤทธิ์มีเดชมีเรียวแรงคมกล้าละไอพวกรูปเสีย ที่บาลีเรียกว่าละนาน ต, ตะอุเบกขาเสียด้วยเอกัตะอุเบกขาเอกตะเบกขานี่ก็หลงอพอใจในอรูปสูงไปถึงเนวะสัญญานาสัญญาญาณะยังไม่หลุดพน้นทีนี้อัตมมยตาแค่จริงเข้ามาเห็นสุญญาตาเห็นตาท้าตา <c oughs> แล้วก็ สลัดไอ้สูงสุดของฝ่ายโน้นคือเนวสัญญานาสัญญาญาตานาเสียมก็เป็นผู้หลุดพ้นโดยประการทั้งปวงโดยอรตมยาต า, ตานักที่ต่างๆเขาสอนกันอยู่สูงสุดเพียงแค่เนวสัญญานาเนวสัญญานาสัญญาญาตนะในอินเดียเนะี่ยคือแค่เฮกัตตะอุเบคา พระพุทธเจ้าท่านไม่อยู่วยศาสดาเหล่านั้นละมาเสียกับมาค้นของพระองค์เองพบไอ้ น, นี่สลัดสลัดหรือปล่อยวางหมดนี่ไม่ให้อะไรปรุงแต่งได้อีกต่อไป <c oughs> มันเป็นอุเบกขาสูงสุดเลยไปจนเป็นอตมรรมยาตาเราให้จิตปล่อยอย่างนี้ ถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วก็นับดูการปล่อยก็ปล่อยก า, กามเสียด้วยรูปปล่อยรูปเสียด้วยอรูปปล่อยอรูปเสียด้วยอารมยตาในกาเรเคลื่องจิตในชั้นลึกซึ้งสูงสุดมีลำดับอย่างนี้ละความยินดีในกามธาตาุเสียมายินดีในรูปธาตุ ละความยินดีในรูปธาตุเสียมายินดีในอรูปธาตุละความยินดีในอรูปธาตุสุดท้ายนี่เสียด้วยอาตมยตานั่นนะลอยจิตอย่างลึกซึ้งที่สุดเทคนิคมหาสาลกมบูรณ์ลอยจากความเป็นบุตรชนมาสู่ความเป็นพระอริยเจ้าพวกคุณจะนั่งทําจิตอย่างนี้ได้หรือไม่ ไปคิดดูเราเองที่จะปล่อยจิตจากนิวันทั้งห้า็รจะทำไม่ได้มั <c oughs> ้งเพราะจิตมันพอใจในกามมันพัวพันหมกมุ่นอยู่ในกามเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ได้อย่างใจก็เป็นกามฉันทะไม่ได้อย่างใจก็เป็นพยาบาทบางทีความหดหู่แหง่งจิตก็มาแทรกแซงเสียบางทีความฟุ้งซ่านแหง่งจิตก็ทามาแทรกแซงเสีย ตลอดเวลามีความไม่แน่ใจในความถูกต้องหรือความปลอดภัยเองเพีงเยงแต่ปล่อยนิวรห้าได้นี่ก็วิเศษนะมันจะนำไปสู่ความวันลุที่สูงสูงขึ้นไประเบียบปฏิบัติของภิกษุผู้อยู่ป่าจึงมีว่าหลังจาก เ, เสร็จพัตติกิจประจำวันแล้วก็เข้าสู่ที่สงัดกำจัดนิวรไปจากจิต หรือทาจิตให้ปล่อยนิวรณ์แล้วก็ค่อยบรรลุรูปฌานรูปฌานไปตามลําดับนู่นมันวางว่าอย่างนั้นหรือแม้ว่าเราจะปล่อยจิตจากนิวรณ์แล้วเราจะนอ่งไปเพื่อ น, นิพานข้ามกระโดดข้ามชั้นไม่มาหลงไหลอ ย, อยู่ในเรื่องรูปฌานรูปฌานอะไรก็ได้เหมือนกันโดยเอกคตาจิตนั่นมันเพ่งพระนิพานเป็นอารมณ์มุ่งหมายพระนิพานเป็นอารมณ์ ก็จะสามารถปลดปล่อยได้เหมือนกับเรียกว่าอะไรภาษาคอมมินิตเขาว่ากระโดขะโดข้ามกระโดดไกลกระโดดข้ามกระโดดไกลหรือพวกเซนก็นิยมอย่างนี้เก็จะใช้วิธีกระโดดไกลก็ททำได้ก็ททำได้ถ้าทำถ้าทาเป็นมันก็ทำได้ เรื่องจิตอากนิวรณ์ในสุดตันตาพุทนิวรเพียงห้ากามชัญทัพยาบาดทินามิ ท, อท้อุทัจจะกุกุจจะวิกิกิจชาในอภิธรรมมันเพิ่มกันมานิวรณ์อีกหนึ่งเป็นนิวรณ์หกคือเอาเอาวิ ช, ชาเข้ามาด้วยนี่ก็แยกคายดีเหมือนกัน น, นิวรณ์สูงสุดก็คืออาวิ ช, ชานะ ที่จริงมันก็คือนิวรณ์ทั้งห้านั่นเป็นพลของอวิชชานิวรณ์ทั้งห้านัน่นตัวอวิชชาเราไม่ต้องเพิ่มเข้ามากนได้แต่จะพูดอย่างนักเลงอีกทีว่าอาวิชชานิวรณ์ละเพิ่มปลดปล่อยมันเสียด้วยก็เป็นการปลดปล่อยนิวรณ์ทั้งหมดทั้งสิ้นก็ปลดปล่อยอย่างนี้เป็นพระอรหันต์เลยนะปลดปล่อยนิวรณ์ อ, อวิชชาได้ก็เป็นพระอรหันตะ์ออกไปสู่โลกุตตระ ขั้นที่หนึ่งรู้จักกิจทุกชนิดโดยประการทั้งปวงของหมวดนี้นะขั้นที่สองบังคับให้ปราโมทบันเทิงได้ตามต้องการขั้นที่สามให้มันตั้งมั่นตามต้องการขั้นที่สี่ให้มันปล่อยจากสิ่งที่ควรปล่อย เป็นนิวรณเป็นสัญญยด้านใดก็ตามปล่อยนี่มีเป็นสี่ขัน้นต้องหมวดนี้เรียกว่าหมวดจิตตานุปัตนานี่เป็นเรื่องบอกให้รู้นะไม่ใช่ว่าบอกแล้วจะบรรลุกันที่นี่ทันทีเดียวนี่ในชั่วโมงนี่ในวันนี้เอาไปพยายามทำทำทำทำเป็นจริงจังจะกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็บอกไม่ได้ ถ้าทำถูกมันก็เร็วทำไม่ถูกมันก็ไม่เร็วหรือมันเป็นไปไม่ได้แต่ทุกคน <c oughs> ควรจะทำอยู่ที่บ้านที่เรือนนั่นแหละ <c oughs> พยายามปลดปล่อยจิตจากค้าศึกคือนิวรณ์อยู่เสมอเถิดไม่มีอะไรก็เอาอตาตมมยตาดื้อๆเข้ามากู้ไม่เอากับมึงกู้ไม่เอากับมึงก็ปล่อยปล่อยจิตความรู้สึกอันไหนอารมณ์อันไห น, ม, น, ไหนมันรบกวนจิตใจแล้วไรกู้ไม่เอากับมึงกู้ไม่เอากับมึง เปลี่ยนทันทีก็ได้เหมือนกันฝึกอย่างนี้ฝึกอย่างนี้เท่า น, นั้นก็ยังดีกว่าไม่ฝึกเพราะนเรื่อง <c oughs> จิตตาอนุปัสสนามันก็มีเท่านี้ <c oughs> แล้วก็อย่าลืมว่าอนัตตาอนัตตาคือบทเรียนที่จะต้องใช้ทั่วไปจิตเป็นอย่างไรก็ดูอนัตตาที่จิตนั้น จิตมันเทิงมันเทิงก็ด้วนนิอนาตตาไม่มีตัวตนจิตล้วนล้วนวันเทิงจิตต่างมันก็ไม่มีอนาตตาอยู่ที่นั่นไม่ไม่เป็นตัวอนาตตาหรือตัวตนอะเป็นอนาตตาไม่ใช่มีตัวตนที่ไหนมันสักว่าจิตมันวันเทิงแล้วก็ในลักษณะที่เป็นอนาตตาแม่จิตปล่อยก็เหมือนกันและไม่ต้องมีอัตาปล่อยอัตาหลุดอะไรจิตมันปล่อย ไม่ต้องเป็นอัตตานี่เรียกว่าจิตแท้ๆทางานของมันได้โดยไม่ต้องมีอัตตาเอาความรู้สึกอัตตาออกไปเจนได้นั่นแหละจะเป็นพุทธบริสัทธ์เป็นพุทธศาสตร์ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเอาอัตตาว่ายก็เป็นสสยศาสตร์ไสยศาสตร์ไม่มีที่สิ้นสุดเนียวแน่นสารพัดอย่างของการที่จะมีอัตตา ไปนั่งไหว้จอมปลวกไปนั่งไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์อย่างที่เป็นอัตตา น, นี่เป็นสยศาสต ร, ร์ อ, อ้าวไก่มันบอกว่าหมดเวลาแล้วหนึ่งชั่วโมงแล้วหยุดขอหยุดติการบรญญายในวันนี้เพียงแท่นี้